ใครมาก่อนอันนี้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังเห็นโพสต์ในตัวคนๆเยอะเจ้าค่ะล้วไงไงมีวันหนึ่งคอยเพื่อนรู้สึกว่าหมดจิดแต่ช่วงแรกตามดูไม่ทันเจ้าค่ะครั้งที่สองก็ลืมเผลอไปเลยเจ้าค่ะจนครั้งที่สามเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกปุ๊บตรงนั้น มันเหมือนกับเป็นไม้สองท่อนแล้วมันสั่นแลมันขาดกระเด็นแบบชัดว่ามันก็ไม่ทราบว่ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคือสติเกิดขึ้นมาจริงๆนะอกุศลต้องดับทันทีดับอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรก็ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวอกุศลอะไรหรอกไม่ต้องไปคิดละมันหรอกกค่ะฝนะึกไปให้สติมันเกิดแล้วมันละเอง เจ้ค่ะอันนี้หนูเจอปัญหาตอนนี้เจ้าค่ะว่ากลางคืนที่นอนเนี่ยเจ้าค่ะพอมันเพิกทุกครั้งเนี่ยรู้สึกหมดเลยเจ้าค่ะแล้วแล้วก็เลยไม่ตกตใจว่ามันเราจะนอนไม่พอไหมแล้วเราจะแรงทํางานหอเปล่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกไม่เป็นใช่ไหมนะคะคือเจริญสติพอสติมันเกิดนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึก แต่มันรู้สึกเมื่อมันนอนจิตมันนอนพอแล้วแต่ร่างกายมันยังนอนไม่พอแต่จิตมันนอนพอแล้วนี่คนทั่วๆไปพอจิตมันนอนพอมัคนคิดฟุ้งซ่านฝันไปก็ขึ้นมาฝันนี่ของเรานักปฏิบัติเราหัดรู้ทันจิตใจของเราเรื่อยๆพอถึงเวลานอนเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกนะรู้สึกเองแล้วค่ะ อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยร่างกายกระดุกกระดิกก็รู้สึกเองมันรู้สึกทั้งกายรู้สึกทั้งจิตแหละค่ะอันนี้เมื่อวานก็มีความรู้ว่ารู้สึกตัวอยู่แต่มันไม่โปร่งเหมือนทุกครั้งเจ้าค่ะก็เอ๊เป็นอะไรเราเผลอก็ก็ไม่ใช่ก็รู้แต่มันมันไม่โปร่งนะเจ้าค่ะใจทื่อๆอยู่เนาะเจ้าค่ะคือบางครั้งโมหามันแทรกมันมีหลายสภาวะ อันหนึ่งก็คือจงใจประคองไว้เล็กๆจงใจไปดูอะไรย่างนี้ก็ไม่โปร่งอีกอันหนึ่งคือโมหะมันแทรกเข้ามาหรือบางครั้งเกิดจากร่างกายก็ได้เช่นมันง่วงมันอิ่มอะไรย่างนี้มันก็จะซึมๆอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่ต้องไปเกลียดมันเราปฏิบัติน่ะไม่ใช่เอาสุขไม่ใช่เอาสงบไม่ใช่เอาดี แต่ปฏิบัติให้เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้เั้นกระทัางกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นมันก็สอนธรรมะเราได้ถ้าเราดูเป็นถ้าเราดูไม่เป็นนะถ้าถูกกิเลสครอบงำบ้างไปต่อสู้กับกิเลสบ้าง <Okay. S 1> okay. ถ้าไม่คล้อยตามไปก็ต้องโดดเข้าไปสู้กันอันนี้หลงละหลงกลลนะ แท้จริงแล้วสภาวะต่างๆเกิดขึ้นกระทั่งกิเลสเกิดขึ้นนะเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นแล้วดูออกไหมมันเกิดก็เกิดเองเจ้าค่ะการที่กิเลสนะมันพยายามจะมาครอบงําเราครอบงําจิตใจดูเหมือนน่ากลัวในขณะเดียวกันอ่ะมันก็เปิดเผยจุดอ่อนของมันให้เราเห็นเหมือนกันจุดอ่อนที่สําคัญก็คือมันแสดงไตรักให้เราเห็น กิเลส จ, จะผุดขึ้นมาห้ามไม่ได้นะไม่ได้ชนเลยอยู่ๆก็เกิดขึ้นใหม่มีเหตุมันก็มีอ่นะไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่เร า, า น, นี้่ขอโอกาสถามกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเส้นทางที่หนูกําลังรู้สึกดูเนะี่ยเหมาะกับหนูไหมเจ้าค่ะเหมาะสนะิเนาะเหมาะแล้วคือเวลานับปฏิบัติเกิดกิเลสเนี่ยอย่าตกใจนะ ส่วนมากเราปฏิบัติเราหวังจะเอาดีจะเจอกิเลสเราไม่ชอบน ะ, จะเจอกุศลเราชอบชอบข้างหนึง่งเกลียดข้างหนึง่งหวังเอาสงบไม่ชอบฟุง้งซ่านชอบชอบสงบนี่รักข้างหนึง่งเกลียดข้างหนึ่งเหมือนกันอยากมีความสุขปฏิบัติแล้วอยากได้ความสุขเกลียดความทุกข์แท้จริงแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสุขความสงบหรือกุศลไดหรอก วิปัสสนาจริงๆเนี่ยทําไปเพื่อให้เห็นความจริงแล้วสิ่งที่ต้องการเนี่ยคือต้องการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นพระโสดาบันคือท่านผู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปต้องการเห็นแค่นี้แหละไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรถ้าเราหวังว่าจะต้องดีต้องสุขต้องสงบการปฏิบัติของเราจะลุ่มรุ่ ม, มดอนๆเพราะอะไรเพราะความดีความสุขความสงบเป็นของไม่เที่ยง เกิดขึ้นามาเราก็เสื่อมงั้นพอมันเสื่อมไปเราก็บอกว่าช่วงนี้จิตเสื่อมพอมันเกิดขึ้นเราก็ว่าช่วงนี้ จ, จิตเจริญขึ้นเราไปหลงกับคำว่าจเจริญและเสื่อมที่จริงจิตไม่มีคำว่าจเจริญและเสื่อมมีแต่คำว่าเกิดแล้ว ก, ก็ดับจิตที่เจริญเกิดแล้วก็ดับจิตที่เสื่อมเกิดแล้วก็ดับฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับไม่ใช่เพื่อให้จเจริญเพื่อเอาสุขเพื่อเอาสบาย ถ้าหวังอย่างนั้นแล้วก็จะล้มลุกคลุกคลานทั้งชาติเลยเหนื่อยเหนื่อยเพราไรเพราะไปอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไปอยากให้จิตซึ่งเป็นของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้จิตที่เป็นตัวทุกข์มันเป็นสุขอยากให้จิตที่เป็นอนัตตาจะบังคับมันให้ได้อยากบังคับให้ได้เป็นความอยากที่ฝืนกับธรรมะฝืนกับความเป็นธรรมดา การทำวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่มุ่งสิ่งนี้แต่มุ่งให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงกุศลก็แสดงความจริงคือเกิดแล้วดับอกุศลก็แสดงความจริงคือเกิดแล้วดับนะความสุขความทุกข์กข็แสดงความจริงคือเกิดแล้วดับนี่พวกเราเอเห็นกิเลสมาเราก็เกลียดมันไปไปสู้มันพอเห็นกุศลก็ชอบมันจะรักษา หรืคนทั่วๆไปไม่มีสติปัญญาเลยก็กิเลสเกิดก็ถูกกิเลสลับงำไปเลยพวกนี้คล้อยตามกิเลสไปพวกนั่นปฏิบัติก็ต่อสู้ไปกิเลสคล้อยตามไปบ้างต่อสู้บ้างใช้ไม่ได้หรอกไม่ได้จริงที่จริงกิเลสแสดงตัวออกมาเนี่ยดูเหมือนน่ากลัวแต่แท้จริงมันแสดงจุดอ่อนให้เราเห็นนะมันแสดงไตรลักของให้เห็นถ้าดูเป็นนะจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ เมื่อตอนหง่อฝึกกระบี่กระบองนะสมัยอยู่มหาวิทยาลัยหวงพ่อพบว่าถ้ากระบี่ที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคือถ้าเบสิกเบสิคที่สุดแนละ้วน่ากลัวที่สุดเลยอย่างเวลาคนคู่ต่อสู้ของเรามันตั้งกดัดเข้มแข็งเลยนะไม่มีจุดอ่อนให้เข้าโจมตีเลยแต่พอมันเริ่มเคลื่อนไหวเท่านะอย่างเขาจะขยับมาโจมตีเราเขาเคลื่อนไหวนิดเดียว เขจะเปิดจุดอ่อนทั้งตัวเลยแต่ถ้าเขาสงบตั้งมั่นอยู่ในท่าเบสิกแล้ว น, นะเราหาจุดอ่อนเข้าไปโจมตีเขายากที่สุดเลยกิเลสนี้เหมือนกันถ้ามันไม่แสดงตัวออกมานะสู้มันไม่ได้หรอกมองไม่เห็นเลยแต่พอมันแสดงตัวมันเคลื่อนไหวปั๊บมันแสดงใจรักทันทีเลยนั่นอย่าไปตกใจนะ <c oughs> เราเฝ้ารู้จนเห็นว่ากุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับ เราก็เฝ้ารู้ไปจะเห็นว่ากุศลนะเกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้อกุศลห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เฝ้ารู้จนในที่สุดจิตมันจะวางทั้งสองฝั่งเลยวางทั้งกุศลและอกุศลแต่ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าให้พวกเราชั่วได้นะเราจะชั่วไม่ได้เด็ดขาดเลยทำไมเราทำชั่วไม่ได้เด็ดขาดเพราะเรามีสติ เมื่อเ่ามีสติอยู่นี่อากูสนจะครอบงำํำจิตไม่ได้รับรองไม่ทำผิดศีลห้าจะมีศีลดยอัตโนมัติเลยนะเกิดอินเสียสังวรศีลศีนัตโนมัติศีลที่ไม่ต้องขอใครไม่ต้องขอเพียงข้อข้อครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนท่านชอบพูดเลยนะศีลที่เที่ยวมาขอขอนะท่านเรีกยกศีลอยักจนเที่ยวไปขอคนอื่นเขา ศีลที่เกิดจากการมีสติเป็นศีลที่พระอริยะชมเฉยที่เรียกอริยะการศีลศีลที่ชมเฉยพระอริยะชมเฉยมีข้อเดียวเนี่ยคือจิตเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำพฤติกรรมของเราก็จะไม่ทำผิดชั่วทําผิดทางกายทางวาจาอัตโนมัติยังถุขดยาความโกรธเกิดขึ้นมารู้ทันความโกรธครอบงำจิตไม่ได้เราก็ไม่ฆ่าเขาไม่ตีเขาไม่ด่าเขา ศีลมันเกิดเห็นคนเขาทำกระเป๋าสตางค์หล่นอยากได้รู้ว่าอยากได้ความอยากครอบงำจิตไม่ได้ไม่เอาของเขาศีลมันมีอัตโนมัติงั้นฝึกสติศีกก็จะเกิดฝึกสติสมาธิก็จะเกิดสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตมันตั้งมั่นได้เพราะมันไม่ถูกนิวร์ครอบงำ ไม่ถูกความอยากได้อารมณ์ครอบงำไม่ถูกความเกลียดอารมณ์ครอบงำไม่ถูกความฟุ้งซ่านความโหดเหความลังเลสงสัยครอบงำพอมีสติอยู่กิเลสพวกนี้นิวรณครอบงำจิตไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะมันไม่มีศัตรูของสมาธิจิตก็ตั้งมั่นมีสติอยู่นีแหละปัญญาจะเกิด ว่มีสติระลึรกรู้สภาวธรรมก็เห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วเกิดและดับเกิดและดับเห็นซ้ำๆนี่แหละปัญญามันเกิด น, นรู้ความจริงมันเข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งเกิดล้ดับมีสติอยู่นี่ถึงจุดหนึ่งวิมุตจะเกิดขึ้นมีสติมากเข้ามากเข้าเลยเห็นจิตไปยึดถือโน่นนี้ที่ไรทุกทุกทีนะจิตจะไปวางวางวๆ ง, งไป ไปจิตก็แจ่มแจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยพอเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างอย่างที่คนทั้งโลกเข้าใจกันพอเห็นว่าทุกข์ล้วนๆมันวางปล่อยวางวิมุตติความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นอาศัยสติรู้กายรู้ใจซึ่งท่านเรียกว่าสติปัฏฐานนั่นเองสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองนะเรียกว่าสติปัฏฐาน ท่านถึงสอนว่าสติปัฏฐานเป็นทางเอกเป็นทางสายเดียวคําว่าเอกายนามัคมีคำแปลหลายอย่างเป็นทางสายเดียวที่จะถึงความบริสุทธิ์ก็ได้เป็นทางของคนที่ต้องไปคนเดียวก็ได้ต้องสู้าตามลำพังนะช่วยกันไม่ได้ต้องสู้เองเป็นทางของท่านผู้เป็นเอกคือทางของพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นทางที่มีเฉพาะในธรรมวิัยในศาสนานี้เท่านั้นก็ได้ คำว่าเอกอยายนามะทางเอกแต่ได้หลายอย่างต้องเดินคนเดียวเข้มแข็งไว้ค่อยๆเรียนรู้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจถ้าสติไปรู้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่รู้กายรู้ใจก็ไม่เรียกสติปัฒฐานเรียกสติอย่างอื่นสติธรรมดาสติอย่างโลกโลกถ้าเป็นสติรู้กายรู้ใจถึงจะเรียกสติปัาน ถ้าสติเกิดขึ้นสติอ่อนๆเกิดขึ้นอยากทำบุญอยากใส่บาจอยากฟังธรรมีสติเหมือนกันแต่สติอย่างนี้ยังไม่เรียกสติปัฏฐานเป็นสติธรรมดาสติปัฏฐานนี่ต้องเป็นสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองสติที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงคือสติตัวนี้แหละส่วนสติธรรมดาธรรมดาก็เอาไว้อยู่กับโลกเกิดก่จิตที่มีกุศลทุกๆุดวงสติ สติธรรมดานะนสติปัฏฐานเนี่ยสติในสติปัฏฐานเนี่ยเกิดร่วมกับปัญญาเกิดโดยไม่ได้ชักจูงให้เกิดรู้สึกไหมมันเกิดเองงั้นถ้าจะพูดถ้าใครเรียนอภิธรรมนะจิตที่ใช้ใเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นมหากุศลยานสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาอสังคาริกงังไม่ได้ชวนให้เกิดเกิดเองไม่ต้องอ้อนวอนให้เกิด แค่นี้นมีกำลังกล้าจิตที่ต้องน้มนำให้เกิดนะไม่มีกำลังเท่าไหร่ไม่เข้มแข็งเช่นใจเราฟุ้งซ่านเราก็ต้องมาคอยคิดนะฟุ้งซ่านไม่ดีนะหรือโกรธล้วก็ต้องมาคอยคิดนะโกรธเขาไม่ดีนะเมตตาดีกว่าอะไรเงี้ยน้มนำจะให้เกิดจิตที่เมตตาจิตอย่างนี้ก็ฉลาดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีกาลังเท่าไหร่รต้องชักจูงให้เกิด ไอจิตที่มีกำลังทำสติปัฏฐานเนี่ยเกิดเองแต่เกิดเองก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุมันมีเหตุที่ทำให้เกิดได้เองคือเราจำสภาวะได้จิตจำสภาวะได้มากเข้ามากเข้าสติเกิดเองอย่างของคุณมันจำโทสะได้ละไอจิตมีโทสะวับมันเห็นนะโทสะขาดสะบั้นเลยเหมือนมีมีดที่คมกริบปันชับขาดสะบั้นไปเลย นี่สติเกิดเองละบางทีสติไม่เกิดเองบางวันนะบางวันก็จะไม่เกิดเองจงใจให้เกิดนะไปดูจงใจไปดูนะจะทื่อๆขึ้นมาจะทื่อๆซึมๆอย่างที่ว่านั่นแหละไม่มีกำลังพอที่ฝึกอยู่ใช้ได้ละดูบ่อยๆ อ, อ่ะคุณวุฒิเบอร์สิบเก้าเชิญวันนี้มีบองอ่ะมีนิดเดียวไม่เป็นไร <c oughs> มีนิดหน่อยก็ทางเลี้ยงที่บอกหลวงพ่อว่าเห็นเห็นจิตเป็นทุกข์กันนะฮะพอเห็นจิตเป็นทุกข์แล้วก็มันก็เห็นมันมีมีอีกตัวหนึ่งนะนอกจากตัวมัวมัวนะคือฟุ้งซ่านรู้หรอไหมอันนี้จิตมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะครับนังอะอีกคือรู้จิตแล้วก็รู้กายว่ากายมันก็เป็นรู้ไปพร้อมๆกันอ่ะมันไม่พ้มหลอกมันเป็นละขณะกัน ธรรมดาของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวมันจะรู้เด่นได้ชัดอนะอันเดียวอีกงานหนึ่งมันเหมือนแบกกล่าวเท่านะั้นน้องไหนไม่มีอะไรวันนี้ใจมันลุกหลีกหลุดหลีกแล้วก็รู้ทันมันนะไม่ห้ามมันนะกิเลสกําลังเปียกฉีเราละกําลังแสดงไตรักให้เราดูละ <c oughs> อาคุณมลเบอร์สี่ มัวเนี่หลงมันก็เลยโม่บัวไปหมดเลยทุกคนโ ม, ม่หมวเขาไม่เป็นไรหมวกก็รู้ว่าหมว่อะไรเกิดขึ้นก็ได้นะได้หมดอ่ะกุศลก็ได้อะกุศลก็ได้แต่ถ้าเราจะทําสมถะเราก็ต้องเอาดีเอาสุขเอาสงบถ้าทํำมิปัสสนามันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังไงั้นเ <c oughs> มื่อวานมีคนเอานักสือของอาจารย์สุรวัตรเล่มใหม่มาให้ดู พอหน้าดูนะเล่มใหม่ดีเรื่องหัดรู้หัดดูได้เห็นนี้อยังเหแล้วดีนะเขียนดีเล่มนี้ไปอ่านนะ ห, หลวงพ่อจะได้ไม่ต้องสอนเยอะแต่ละคนเลยจะ <c oughs> ไปรวมเรื่องที่คนถามบ่อยๆเอาไปเขียนเขียนได้หน้าฟังดีก็ต้องปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกเลยเรายัางบังคับนิดๆ ด, ด, ดูออกไหมแต่ยังแข็งทื่อๆนิ ด, น, ดนึง มันยังไม่หมดดีน ะ, ะเป็นผลจากการที่เราฝึกเท่งฝึกประคองฝึกกำหนดไว้ยังติดมานิดหน่อยแจกจะทื่อๆนิ่งๆนิดหนึ่งดีแล้วละ่ะค่อยคลายออกไปเยอะแล้วดูออกไหมมันคลายก่ออกมันเบาขึ้นมันเบากว่าเบากว่าก่อนเราไปฝึกนะเรานน้าสงสารพวกเรานักปฏิบัติเราคิดว่าจะเอาดีให้ได้แล้วเราก็เอากาลังเข้าไปบังคับ เข้าไปกำหนดไว้ไปประคองไว้ไปควบคุมไว้การกำหนดการบังคับการควบคุมการเพ่งมันคืออัตตาคิลมัทธานุโยกมันคือปุญญาพิสังขารความปรุงแต่ง่สยดีถราทำแล้วเราก็ทุกข์แบบคนดีนะก็มีความทุกข์ขึ้นมาใจไม่แช่มชื่นเท่าไหร่หรอกแข็งแข็งคลิดเครียดแข็งแข็งค่อยดูไปนะดูไป อย่าเติมอะไรลงในการรู้รู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้แบบคนไม่มีส่วนได้เสียนะรู้แบบคนวงนอกเราดูจิตดูใจของเราเหมือนเราดูเด็กข้างบ้านไม่ใช่ลูกหลานเราด้วยนะเราดูเด็กข้างบ้านไม่มีส่วนได้เสียเราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวเด็กมันก็หัวเราะเดี๋ยวเด็กมันก็ร้องไห้เดี๋ยวมันโยเยนะเดี๋ยวมันโมโหเดี๋ยวมันตะกละตะกรามเนี่ย ใจเราก็เหมือนเด็กนั่นแหละเราก็ค่อยรู้แต่ทําไมต้องรู้แบบเด็กข้างบ้านต้องรู้แบบไม่มีส่วนได้เสียรู้อย่างเป็นกลางให้รู้ไปในที่สุดเราจะเห็นเลยจิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตนี้บังคับไม่ได้นะห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุข ก, ก็ไม่ได้รู้สึกไหมมันทํางานตลอดเวลาอย่าไปบังคับให้นิ่งนะ เขารู้เพื่อให้เห็นว่าเขาทำงานตลอดเวลาอัญญาจะได้เกิดว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของทนอยู่ในสภาวะอันใดนหนึ่งไม่ได้เป็นของบังคับไม่ได้เพื่อให้เห็นใจรักนั่นแหละคือที่ผ่านมาเห็นโนพระโทสะโมหะเยอะขึ้นดโอ้ดีดีมากเมือม่อก่อนไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะแต่เมื่อก่อนไม่เห็นเคยมีคนตลกมากเลย มาต่อว่าหลวงพ่อนะว่ามาทํากรรมฐานอย่างหลวงพ่อนะวิชันกิเลสเยอะขึ้นเยอะเลยวิชันแต่ก่อนไม่เคยมีกิเลสเลยบ อ, อ, อกเมื่อก่อนเหมือนคนเป็นโรคนะเหมือนคนเป็นมะเร็งอะ่ะไม่รู้ตัวหมอมาตรวจเจอนะ้ไปโทษว่าหมอทําให้เป็นมะเร็งเอนอีเออ่ยนเราเห็นกิเลสดีแล้วถ้าเห็นกิเลสแล้วเราจะชนะกิเลสได้ถ้าเราไม่เห็นเราก็จะต้องตกเป็นทาสของมันเรื่อยๆไป ดีครับเบอร์สามสิบเก้าติว่าแบบไม่ชอบอกุศล น, นะครับมไม่อยากให้เกิดอืมแล้วก็กลัวๆ น, นี่ไม่รู้นะออนะใจถึงถึงนะใถ่ถึงถึงไม่ชอบอกุศลไม่อยากให้เกิดแล้วถามว่ามันเกิดไหมตรงที่กลัวอกุศลนั่นแหละโทสะเกิดเรียบร้อยละระมัวแต่ระวังอกุศลจนอกุศลเกิดนะระวัง สึกไหมใจไม่แช่มชื่นหรืกลัวกุศลนะใจที่ไม่แช่มชื่นนะมันเป็นเรียกว่าโทสะมูลจิตจิตที่ประกอบจิตที่มีโทสะเป็นพื้นฐานมันไม่แช่มชื่นเมื่อเมื่อไรเกิดความกลัวกิเลสเมื่อนั้นถูกกิเลสครอบงําเรียบร้อยละเรารู้ทันนะรู้ไปอย่า ก, กลัวมันถึงกลัวก็หนีไม่พ้นต้องเป็นนักสู้นะแบบเรารู้แล้วว่าเราเหมือนหมาจนจอกแล้วนะ ยังไงกิเลสไม่ปล่อยเราแน่ละต้องสู้กันนะอย่า ก, กลัวให้มันมาแล้วดูมันกิเลสไม่กลัวคนที่ต่อสู้กับมันจริงจังหรอกกิเลสกลัวคนที่รู้ทันมันยิ่งเราเ ก, กลียดมันนะโดดเข้าไปชกกับมันนะมันยิ้มหวานเลยหลงกลกิเลสทุกตัวทำหน้าที่อันเดียวกันหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวพอโทตากเกิดเราก็ไปดูคนที่เราโกรธ ลืมดูว่าจิตมีโทสะโลค้าเกิดเราก็ไปดูคนที่เรารักลืมรู้ว่าโลค้ากาลังเกิดใจลอยไปหรือสงสัยความสงสัยเกิดขึ้นคิดหาคําตอบใหญ่เลยลืมรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ <Yeah. S 1> โลภ้าโทสะโมหะทําหน้าที่เดียวกันหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวมันกลัวมากว่าเราจะรู้ทันถึงจิตถึงใจตัวเองอกิเลสนี่ยซ่อนอยู่ในจิตใจเรานะ ถ้าเรารู้ทันถึงจิตถึงใจวันหนึ่งมันซ่อนอยู่ไม่ได้มันเล่าร้อนมันทุรนทุรายมีคำอยู่คำหนึ่งอาตาปีการเผากิเลสให้เราร้อนไม่ต้องเผาด้วยอะไรเผาด้วยสตินี่แหละมีสติรู้ลงให้ถึงจิตถึงใจนะกิเลสมันทุรนทุรายนะมันต้องหาทางหลอกเราต้องมาพยายามสู้อย่าไปกลัวกลัวก็หนีไม่พ้นวันนี้ภาวนาเป็นไง รู้สึกตัวบ้างหลงบ้างดีแล้วนะรู้สึกไหมใจมันสงบมากขึ้นเมันตั้งมั่นมากขึ้นแล้วนะไปรู้ไปเห็นเต๋อแล้วก็คิดนะคะ่ะฟุ้งซ่า น, นะะอืมดีทั้งวั น, นะะ่ะเออทั้งวันนั่นแหละถูกต้องแล้วถ้าสงบทั้งวันนะอาการหน้าเป็นห่วงหน้าสมโฟมันมันยังเห็นว่า เมื่อเช้าจิตมันไหลเข้าไปรวมกับขันนะครับไหลไปไหนนะมันรวมกับขันนะครับไม่เห็นเป็นไรเลยจิตมันก็อยู่กับขันมาแต่ไหนแต่ไรพอมันหลุดออกจากขันนิดๆหน่อยๆนะชักเสียได้อยากจะหลุดตลอดเหรอตึกก็อย่างงั้นแหละบางทีมันก็แยกออกมาบางทีก็รวมเข้าไปนะบังคับไม่ได้นะจิตที่พลากออกจากขัน มีอยู่คานี้นะจิตพลาก่อนแกขันมีอยู่ต่พระใตรปิฎกจิตของพระอราหันต์ไม่ใช่จิตของเราจิตของเราก็เป็นจิตยึดถือขันไม่ใช่เรื่องแปลกนะสมพงอ <c oughs> ้าหนุ่ยเป็นไง <c oughs> เช้านี้มันโมวๆไม่ค่อยมีแรงเนอะไม่มีแรงนะถ้าหนุ่ยมานั่งตรงนี้จะมีแรง <c oughs> <c oughs> จะนั่งนะเราหันหน้าไปทางนู้ด จิจะตื่นตัวในฉับพลันเลยความซึมๆจะหายไปมันก็ไม่เที่ยงนะของไม่เที่ยงไปตกใจมันอ้าโยนี่คนนี้อยู่นะคนที่คอยอัดทำซีดีแจกสองวันที่ผ่านมานี่ก็ฟุ้งซ่านร้องเพลงตลอดเนี่ยจิตมนันล้องนะตื่นมาถึงก็มีเพลงเข้ามา อ, อนั่นแหะเป็นวิบากของเราเรา <laughs> อยากเป็นนักดนตรีไฝฝันนะจะเป็นนักดนตรีอยากมีอัลบัม้มวันหนึ่งทำอัลบั้มมาทำมาให้หลวงพ่อฟังเอ็เพลงธรรมะทั้งเซตเลยเออบอกทำไมไม่เอาไปให้พวกแจมม้งแจมมีอะไรเขาดู <laughs> ก็กลัวดังบางทีจิตมันน้องเพลงขึ้นมาเคยเป็นไหม แลที่ควรประสานมากเลยคือร้องวักเดียวเคยเป็นไหมร้องมันอยู่สามวันสามคืนนะั้นแทบบจะคลั่งเลยจิตมันกําลังแสดงธรรมะให้ดูฉันจะร้องเปลี่ยแกจะทําไหมเห็นไหมอย่าไปกลัวกิเลสนะกิเลสแสดงตัวออกมาทีไรนะก็แสดงจุดอ่อนให้เราเห็นตลอดอนะ่ะแสดงไตรักษนั่นแหละหนเคยปฏิบัติมาแบบเ อ, อกําหนดเห็นยินแล้วก็ คิดนะคะเป็นแต่จะมีคําบริกรรมด้วยนะคะหลวงพอ่อแล้วพอมาฟังฟังเทปหลวงพ่อนะคะแล้วก็อ่านหนังสือก็รู้สึกว่าอยากจะฝึกในเรื่องของคําบริกรรมด้วยคือการฝึกทางอายตนะหกเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ปัญญากล้ามากๆากมันอยู่ในธรรมานุปัสสนาอายตนะหกเนี่ยนะเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยก็มีสติรู้รูปรู้ รู้ตารู้การเห็นรู้สังโยชน์รู้กิเลสที่เกิดตามการเห็นมามีงานเยอะนะเมื่อหูได้ยินเสียงก็รู้ประสาทหูรู้เสียงรู้การได้ยินรู้กิเลสที่เกิดตามหลังการได้ยินเมื่อได้รสก็รู้ริ้นรู้ประสาทริ้นรู้รสรู้การกระทบสัมผัส รู้ความรู้สึกที่กระทบสัมผัสรสนะ่ะรู้กิเลสที่เกิดตามมามเก็นไหมมันมีตัวร่วมอยู่ตัวหนึ่ง ค, คือรู้กิเลสที่เกิดตามมาเพราะงในธรรมานุปษษัสสนาอยตนาบัพพาเนี่ยไม่ได้จบลงที่การเห็นการได้ยินได้กลิ่นได้รสนะถ้าเมื่อไรเราจงใจกําหนดลงไปที่การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รสเนี่ยจะไม่มีการทํางานอะไรต่อไป จิตจะทื่อๆนิ่งๆแท้จริงแล้วจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมกูกลิ้นกายเนี่ยเป็นมิบาจิตไม่มีดีมีชั่วอะไรไม่มีสุขมีทุกข์อะไรเฉยๆเพราฉั้นพอเราไปดูแต่ทางอายตนะพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจิตเฉยๆตลอดเวลาเลยจะทื่อๆนิ่งๆทื่อๆอยู่นั้นน่ะในที่สุดก็ติดความนิ่งความชื่อกิเลสเหมือนกับไม่เกิดขึ้นแต่ความจริงโมหะเกิดเรียบร้อยแล้ว จิตซึมซมทื่อๆไปเรียบร้อยแล้วจิตที่ซึมซึมื่อๆมันอักกุศลจิตนะในหนังสือทางเอกที่หลวงพ่อเขียนไว้มีเรื่องของพระองค์หนึ่งชื่อพระโปทีระพระโปทีระเคยได้ยินไหมพระไบาลานเปล่าแค่ยังไงก็ไปอ่านเอานะขี้เกียจเล่าคืเอเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจให้รู้ความเปลี่ยนแปลงที่ใจไป เหมือนที่เนนพท่ารหันที่เป็นเนนสอนท่าโพธิละนะเมื่อกระทบอารมณ์ทางสวารทั้งหกแล้วเนี่ยให้ตั้งกรรมาฐานขึ้นทางมโนทวารทางใจแล้วงทํามโนทวานเนี่ยชวานาจิตเกิดขึ้นที่มโนทวานเนี่ยกุศลนะกุศลสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ตรงนี้ให้คอยรู้ทันตรงนี้อย่าเอามัวแต่ตั้งอยู่ที่ตาที่หูนะถ้าตั้งอยู่นั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะทื่อ เรียกว่าเราเรียนอายตนะบัพพะไม่ครบนะในอายตนะบัพพะที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะท่านสอนถึงตาถึงรูปถึงการรับรู้การกระทบคือถึงจิตที่เกิดทางตาแล้วก็ถึงกิเลสที่เกิดตามมาถ้าเราไปจ้องใส่จิตที่เกิดทางตาเนี่ยมันคือการเพ่งจิตถ้าเราไปจ้องประสาทตามันคือการเพ่งรูป ถ้าไปจ้องอยู่ที่รูปที่จิตไปรู้เข้าที่ตาไปเห็นเข้าก็คือการเพ่งรูปการเพ่งตัวรูปตัวนามเนี่ยเรียกว่าอารามมนูปนิชานการเพ่งตัวอารมณ์ได้สมถะนะเฉั้นคนที่ฝึกไล่จี้ทางไยศตนะจํานวนมากเลยเกิดสมถะโดยที่ไม่รู้สึกตัวเนึ่ว่าทำํำนิพพสนาอยู่แต่ใจนิ่งๆชื่อๆ อ, อ, อยู่ยนั่นแหละเหมือนกับหมดกิเลสนะแล้งนี่ในชีวิตประจำวันของเราที่เราต้องได้เห็น ได้ยินอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแเราจะอยู่ยังไงอย่างมีมีสติคีอรู้ตัวอยู่อย่างละสติสตไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เกิดได้สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้เมื่อจิตจําสภาวะได้สติจะเกิดขึ้นเองงั้นหน้าที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆอย่ากลัวสภาวะนะเราชอบกลัวสภาวะจนไปบังคับให้จิตทื่อๆกลัวจิตจะมีกิเลสกลัวจิตจะเป็นยังง้อนอย่างงี้บังคับให้นิ่งรู้สึกไหมมันมีการบังคับใจจะทื่อๆ นันแหลต้องรู้ทันตรงนี้แล้วเลิกบังคับซะหัดรู้สภาวะไปลืมเรื่องปฏิบัติซะก่อนได้ไหมลืมคำว่าปฏิบัติซะปฏิบัติเนี่ยจริงๆก็แปลว่าเข้าไปเห็นเฉพาะเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะเข้าไปรู้เฉพาะหน้านั่นแหละไม่ใช่แปลว่าทําอะไรขึ้นมาที่เหนือธรรมดารู้สึกไหมพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราทําสิ่งที่เหนือธรรมดาผิดแล้วละ่ะจิตตอนนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมจิตตรงเนี้เป็นจิตธรรมดาละ จิตตรงนี้เป็นจิตที่หลงไปคิดละห็นะมเนี่ยเป็นจิตที่บังคับตัวเองให้ทื่อๆแล้วรู้สึกไหมเป็นจิตที่บังคับให้มันแข็งทื่อขึ้นมาหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงหลวงพ่อจะบอกให้นะในโลกไม่มีคนตื่นหรอกในโลกมีแต่คนหลับคนฝันตื่นแต่ตัวแต่ใจฝันนะฟังธรรมะจนสติตัวจริงเกิดขึ้นเราถึงจะตื่นขึ้นมา ตอนนี้ฝันไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกไหม <c oughs> นะค่อยๆฝึกไปนะเดี๋ยวจะได้ตื่นขึ้นมาทนฟังหลวงพ่อไปนิดหนึง่งฟังมากเลยค่ะได้ได้ซีมาสี่วันที่ฟังทุกวันหลงละรู้สึกไหมใจอยากพูด <c oughs> อยากพูดรั้วอยากพูดรู้สึกไหมมันปราบปลื้มใจ <c oughs> มันลิงโลดใจดีใจรู้ทันลงไปนะจิตเราเป็นยังไงรู้เฉยๆนะไม่ไปห้าม เริ่มไปทําให้จิตทื่อๆ อ, อีกแล้วรู้สึกไหมสุดตรงข้างบังคับอยู่ที่ตรงนี้จะไปทําให้ทื่อๆนะไรลักษณ์ไม่มีให้ดูหรอกหนีไปคิดแล้วทราบไหมหากรู้อย่างนี้นะร่าจกายจะตื่นถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะตรงความเป็นจริงจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะตื่นขึ้ น, นมาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวเบาควรแก่การงานอัตโนมัติเลยนะ แล้วเราใช้จิตที่มีสัมมาสมาธิที่ตื่นแล้วนี้แหละไปรู้กายไปรู้ใจถ้าเอาจิตที่ทื่อๆไปรู้กายไปรู้ใจไม่ได้กินหรอกไม่มีอะไรให้ดูมีแต่การเพ่งอารมณ์นะเรียกว่าอารามันูปนิชฌาเป็นสมถะ